ซั์ที่อยู่ในวัด103ที่ชื่อว่ารั์ที่อยู่ในวัดได้แก่รั์ที่เขาเก็บไว้ในวัดโดยฐานะ4ี่คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งภิกษูตมีทัยจิตคิดจะลักรั์ที่อยู่ในวัดหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัตทุกกฎจับต้องต้องอบัตทุกกฎทาให้ไหวต้องอบัตทุลจใจทาให้เคลื่อนที่ ต้องอบัตปาราชิกภิกษุกล่าวตูเอาที่วัดต้องอบัติทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอบัติทุลใจหากเจ้าของทอดทุระว่าจะไม่เป็นของเราต้องอบัตปาราชิกภิกษุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอบัติปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอบัติทุลใจ